ข อ, อนนบนอมปรารถนาใยขออากาศหองพ่อกมพระเทรานุเทระตลอดจนเพื่อนธใร้ทุกท่านจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็ยาติธรรมทุกคนเมื่อวานท่านอัจาราเนะจบว่าอะไรจำได้ไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ขอให้เราโชคดีด้วยนะ ที่จริงท่านก็พูดตรงเป็นสุภาษิตของไทยเนาะความพยายามอยู่ยที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นซึ่งเราก็คงคงคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่มีก็มีตัวอย่างหลายอย่างที่แสดงให้เห็นนะถึงความพยายามความเพียรที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จมันก็สําเร็จไดนะ้เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้เหมือนกันนะท่านบอก วิริเยนะทุกขมัจเจตินะบุคคลความควรร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียนะรเดี๋ยวจะบายอยากก็ความเพียรนั่นแหละทำให้คนร่วงทุกข์ได้นะก็เป็นสิ่งที่ตรงกับสุภาษิตไทยแต่มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านก็เป็นที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยอมรับของของหลายๆบุคคลนะพระอาจารย์ปะโมตปาโมโชนะท่านท่านมักว่าไว้อยู่ ตอนหนึ่งท่านบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความน้อมเร็วอยู่ที่นั่นเคยได้ยินไหะถ้าใครเคยฟังอาจารย์ประโม่อพอสมควรก็จะได้ยินประโยคนี้บ้างนะฟังดูแล้วก็เหมือนขัดกับสุภาษิตไทยหรือว่าขัดกับสุภาษิตของพุทธสุภาษิตของพุทธเจ้านะแต่จริงก็ถ้าเราพิจารณาดีๆนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใ จ, จทําไมท่านผู้เช่นนั้น ท่านจะไม่รู้เหรือว่าสุภาษิตไทยหรือว่าพุทธสุภาษิตคืออะไรมาว่าท่านก็รู้แน่นอนแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูดีความพยายามหรือความเพียรแบบไหนมันทําให้เรา ล, ล่วงพ้นจากความทุกข์แต่ก็อาจจะมีความพยายามแบบไหนในการปฏิบัติธรรมที่ทําไปแล้วกับล้มเหลวไม่สําเร็จก็มีนะเพราะถ้าเราไม่พิจารณาดีๆว่าความพยายาม หรือความเพียรเช่นไรเป็นความเพียรชอบนะแล้วถ้าเราหลงไปทำความเพียรที่ไม่ชอบเนะี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้เราล้มเหลวหรือทำให้เราทุกข์มากกว่าเก่าก็ได้คล้ายๆเหมือนกับเรามีความพยายามที่จ ะ, ะเดินทางไปที่ไหนก็ได้เอาสมมติง่ายๆเช่นเราจะขับรถนะจากกรุงเทพมาที่วัดป่าสุกโตนะี้ ถ้าเราก็มีความตั้งใจว่าจะมาที่วัดป่าสุกโตแต่เราไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าเส้นทางของวัดป่าสุกโตชัดเจนนะบางทีรถที่เราขับเราพยายามขับนะเต็มที่นะ้มันก็เติมอย่างดีนะไม่พักไม่พอนขับไปแต่ขับไปลงขึ้นไปที่ภาคลงไปที่ภาคใต้แบบนี้นนะแล้วนะก็ผิดทางใช่ไหมผิดทาง หรือถ้าใครเคยหลงป่านะเคยเดินลงป่าก็จะเห็นว่าแม้จะพยายามขนาดไหนถ้าเดินไม่ถูกทางเนาะมันก็ยังหลงอยู่วันยังค่ํานะอ่ามันบางทีเราก็ต้องพิจารณาดีว่าความเพียรความพยายามของเรามเป็นความเพียรที่ชอบหรือเปล่าถ้ามันเป็นความเพียรที่ไม่ชอบนะมันก็อาจจะทําให้เราล้มเร็วหรือว่าหลงทางหรือทําให้เราทุกข์มากกว่าเก่าก็ได้นะ แต่ถ้าเป็นความเพียรที่ชอบความเพียรที่ถูกแล้วก็ย่อมนําซึ่งเราถึงซึ่งความนทุกข์ได้เหมือนกันนะที่จริงมาว่านะทั้งสามสามประโยคเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าอยากจะทําความเข้าใจกับนักปฏิบัติธรรมเนาะเพราะถ้าเราไม่รู้จักความเพียรที่ชอบนะหรือว่าความพยายามที่ถูกทางแล้วเราอาจจะหลงนะเข้าป่าเข้าพงหรือว่า ทกมากกว่าเก่าก็ได้ดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจความเพียรที่ชอบนี่ให้มันถูกความเพียรชอบคืออะไรนะท่านบอกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เลยนะความเพียรที่ชอบสัมมาวายาม ะ, ะก็คือว่าอากุศลใดที่นเกิดขึ้นแล้วนะเราต้องละอกุศลนั้นไปนอกุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ต้องป้องกันไม่ให้อกุศนนั้นเกิดขึ้นกับจิตใจ หรือว่ากุศลใดนะที่ยังไม่เกิดก็ขอให้ได้เกิดขึ้นกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เจริญในกุศลนั้นที่เกิดขึ้นไปเนะหรือถ้าว่าจะย่อก็คือว่าเพียรในการละอกุศลแล้วก็เพียรในการสร้างกุศลนะพวกเราก็คงคิดว่าเออมันเป็นคําง่ายๆซึ่งพวกเราก็พอจะเข้าใจนะแต่ความเข้าใจที่เกิดจากการรู้ หรือว่าความเข้าใจจะเกิดจากการวางใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเราควรที่จะละอกุศลเรารู้ว่าเราควรที่จะสร้างกุศลแต่บางทีเราก็กลับจะเดินอกุศลก็มีนะแล้วก็ไม่เจเดินกุศลก็มีนันะต้องรู้จักอกุศลจริงๆมันคืออะไรนะถ้าจะว่าโดยย่ออกุศลคืออะไรพวกเราก็คงรู้นะ คือความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็เป็นอคศิความเห็นผิดนะก็เป็นสิ่งที่เป็นอคศิเหมือนกันอคศิก็คือความไม่รู้ความจริงก็ได้นะหรืออคศิก็คือความความหลงผิดก็ได้นะแต่ถ้าจะว่าย่อๆเอาง่ายๆก่อนก็ได้ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนะคืออกุศินะอกุศิคืออะไรก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่แหละ คือกุศลเรารู้จักอกุศลกันดีหรือยังถ้าเรารู้จักอกุศลดีนะเราก็จะหลีกจกากอกุศลได้แต่ถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักอกุศลนะเราก็จะเข้าไปเป็นหรือว่าเข้าไปอยู่กับอกุศลก็ได้นะเหมือนอย่างหลวงพ่อคำเขียนมักจะยกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าถ้าเราไม่เห็นงูนะเราก็อาจจะเผลอไปเหยียบงูหรือโดนงูกัดก็ได้นะทั้นั้นงูเนี่ยเหมือนกับ สิ่งที่เป็นอันตรายนะถ้าเราไม่รู้จักนะเราก็จะเผลอเข้าไปโดนเขากัดก็ได้หรือถ้าอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดเนี่ยมีมีเห็ดออกมากเลยนะนะมีคนมาเก็บเห็ดทุกวนันทุกวนัวนวันละหลายรอบนะถ้าเราไม่รู้จักว่าเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนเป็นเห็ดพิษนะเราเผลอไปเก็บเห็ดพิษมากินนะเราก็อาจจะตายได้นะใช่ไหม แต่ถ้าคนรู้ว่าเห็ดไหนเป็นเห็ดพิษเขาก็ไม่เก็บเห็ด น, นั้นมากินนะก็ปล่อยให้มันเรียกว่าโรยไปตามพื้นดินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้จักอกุศลจริงๆนะเราก็จะเผลอเอาอากุศลนั่นแหละมาเจริญแล้วการเจริญอกุศลนั่นแหละจะทําให้เราทุกข์มากกว่าเก่าหรือว่าทําให้เราล้มเหลวในการปฏิบททัติธรรมความโลภนะเอาง่ายๆเอาความโลภ บางคนก็จะจับความโลภก็เช่นเราอยากจะได้ของคนอื่นนะแล้วก็ไปเอามานี่ก็คือเป็นความโลภคือความอยากจะได้สิ่งของภายนอกหรือว่าอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความโลภซึ่งมันก็ถูกในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงความโลภที่ลึกซึ้งขึ้นไปนะเช่นความอยากได้ผลของการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความโลภไหมความอยากจะ เป็นอยากจะมีอยากจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะมาเป็นความโลภไหมถ้าเราสังเกตด้วยดีมันก็เป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นแหละนะแต่ความอยากจะได้สิ่งของก็เผลอไปรักขโมยนะหรือว่าไปเรียกว่าไปเอามาเอนะอันนั้นก็เป็นความโลภที่ผิดศีลศีลห้าก็ดีหรือศีลไหนก็แล้วแต่ก็มีเรื่องการรักขโมยนี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดศีลแต่เราก็เผลอว่าเออที่จริง ความโลภในใจเนี่ยมันมากกว่านั้นนะอแม้แต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานี่มันก็อยู่ในตระกูลของความโลภเหมือนกันนะอาะนั้นมันเป็นอกคตเช่นเดียวกันนะอบางทีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราจะเผลอมีความโลภเพียงเนี้ยเกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นใครละนะจะเป็นโยมก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือแม้แต่เป็นพระเองก็ดีนะนอย่างตัมานี่ก็ เคยเป็นอยู่บ่อยๆนะเป็นอยู่บ่อยๆด้วยซ้ําไปถ้าเอาตัวอย่างนะอย่างช่วงปฏิบัติธรรมตอนปีแรกที่เราบวชตรงนี้นนะมันมีความความอยากจะได้มากนะอบางทีเราก็เกิดความโรคแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็คิดว่าไอ้ความโรคนะั้นแหะมันดีเราก็อยากจะได้ให้มันสักทีอย่างตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมตอนปีปีแรกเลยนะพอมาบวชนะ บางครั้งก็ อ, อยู่เฉยๆปฏิบัติเรื่อยๆธรรมดาทํากิจของสงฆ์บ้างปฏิบัติธรรมบ้างก็ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะก็อยู่ได้อย่างมีความสุขก็สบายดีแต่บางคราวนี่เรามีความตั้งใจมากเราก็ขอเก็บอารมณ์นะเก็บอารมณ์คือการปฏิบัติธรรมเข้มเช่นไม่พูดไม่คุยแล้วก็ไม่ทํากิจอย่างอื่นปฏิบัติอย่างเดียวประมาณสักสิบแปดชั่วโมงต่อวันก็ได้หกักสักหกชั่วโมงเวลานอน นะปฏิบัติในรูปแบบบ้างนอกรูปแบบก็พยายามตั้งใจปฏิบัติแต่เราปฏิบัติเพื่อความอยากจะได้อะไรสักอย่างเราปฏิบัติคือเราคือตัวเองนะนะคือปฏิบัติเพื่ออยากจะบรรลุธรรมอย่างเมื่อพักสิบสองปีที่แล้วนะถ้าใครนะเคยจําเพลงหนึ่งได้นะเขาบอกว่าเพลงปริญญาใจนะเคยได้ยินไหมนะถ้าได้รักกับใครแล้วเหมือนใจได้ปริญญาประมาณนั้นนะ เขาก็ดังนะเอนะอัตมาก็ตีความอีกแบบหนึ่งนะปริญญาใจของเราต้องเป็นต้องเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมสิถึงจะเป็นปนิญญาใจจริงๆนะในตอนนั้นก็พอดีอัตมาบวชหลังจากเรียนจบนะเพื่อนเพื่อนก็รับปริญญากันนะเราก็จะขอรับปริญญาอยู่ที่วัดเหมือนกันนะเนะก็ตั้งใจเก็บอารมณ์นะ ก, กะก็รู้ว่าวันไหนที่เขาจะรับปริญญาเราก็กะ จะทํำความเพียรเต็มที่หวังจะมาดูทําในวันที่เพื่อนรับปัญญานั่นแหละนะไม่ได้ไปรับปริญญาบัตรเราก็ได้รับปิญญาใจของเราก็ได้นะแต่ทําไปนะั้วันแรกๆมันก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่พอใกล้จะถึงวันที่ที่เรากําหนดไว้หรือเราตั้งใจไว้นะโอ้มันเครียดมากนะถ้าไปไม่ได้สักทีนะนะทําไปก็ทําด้วยความทุกข์เพราะว่าทําด้วยความอยากนะ หรือว่าพอหลังอย่างนั้นเออไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรวะก็ก็ผ่อนไปก็ปฏิบัติกิจเต็มที่พอใจมันเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็เบาขึ้นนะเบาขึ้นมาแต่บางทีมันก็ยังไม่เข็ดนะขิตมันไม่เข็ดแบบมันก็ยังอยากได้อยู่นะแล้วอีกช่วงหนึ่งนะก็เก็บอารมณ์เหมือนกันนะคะนี่ยาวกว่าเก่าเป็นช่วงปีแรกเหมือนกันที่บวช น, นะเป็นช่วงบังเกิดนะ อย่างเราก็คงรู้นะพู้พุทธเจ้าเนี่ยท่านประสูตนตัศรู้แล้วก็ประลิพนิพานเนี่ยในวันเดียวกันนะวันเกิดวันวิสาขบูชาเราก็คิดจะเรียนแบบท่านเหมือนกันนะอืวันตายเราแต่ยังไม่รู้แต่วันเกิดเราดูแล้วะวันตัสรู้เราก็จะเอาเหมือนผู้พุทธเจ้าเหมือนกันนะบางทีก็ทําความเพียรนะเก็บอารมณ์เต็มที่นะสิบห้าวันก็ปฏิบัติทำไป กะจะบรรลุทําให้ได้ในวันเกิดนั่นแหละนะอืมันก็เพี้ยนไปขนาดนั้นก็มีนะก็เครียดเหมือนกันเหมือนกับวันที่ที่เขารับเป็นอัญญาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเราทําไปด้วยความอยากทั้งทั้งที่เราก็เดินจงกรมเรานั่งยกมือเต็มที่นะไม่ได้ไปเถลไถลทําอย่างอื่นหรอกนะหนังสือก็ไม่อ่านอ่าเทปก็ไม่ฟังสมัยก่อนซีดีไม่มีนะเราก็ไม่ทําเราก็ทําความเพี้ยนเต็มที่ แต่เราทำความเพียรแต่เรามีความอยากที่จะได้อะไรสักอย่างมันกลับเห็นว่ามันทุกข์มากกว่าเก่าแทนที่เราปฏิบัติทำไปเพื่อความออกจากความทุกข์หรือทำไปด้วยความทุกข์น้อยลงแต่ทำไมทำความเพียรเต็มที่ทำความเพียรอย่างตั้งใจแต่ทำไมมันกลับทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะเรามีความอยากที่จะได้ผลอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละทาไปเพื่อหวังผล แต่มันกลับทุกขมากกว่าเก่านะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ดีเหมือนกันพอเรารู้ว่ามันอยากมากๆมันเพิ่มความทุกข์ตอนหลังมันก็พอจิตมันมีความอยากเช่นนั้นอีกนะมันก็จะวางลงไปนะมันวางไปมันก็ไม่ทุกนะมันก็ออกจากความทุกข์ได้นะสมาคิดว่าประสบการณ์เช่นนี้ก็คงมีกับหลายท่านเนาะที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมมากแต่เราก็สังเกตว่พาพอเรา เราอยากมากๆเนี่ยเรากับทุกนะแต่ที่จริงความอยากนี้มันก็ต้องมีสองสองสองแบบนะถ้าเราพิจารณาดีความอยากที่นำมาซึ่งความทุกข์ก็คืออะไรความอยากในการที่จะได้ผลนะเช่นอยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะรู้นั่นรู้นี่อยากจะเก่งอยากจะดีนะอะไรนะอันนี้คือความอยากที่จะได้ผลแต่ความอยากที่ชอบก็มีนะคืออะไร คือความอยากที่จะทำความอยากที่จะทำเหตุนะอย่างเราก็เคยได้ยินนะคาว่าเหตุผลนะมันมีเหตุก่อนมันถึงมีผลนะใช่ไหมเหมือนกับต้นไม้มันก็ต้องมีรากมีลำต้นมีใบมีเวลามีการบำรุงดูแลมันถึงจะออกผลผลเนี่ยมันคือขั้นสุดท้ายที่มันออกมาแต่สิ่งที่เหตุเนี่ยมันมีมาก่อนตั้งมาเยอะนะตั้งมามากแต่คนส่วนใหญ่บางที ปฏิบัติทำแป๊บเดียวก็อยากจะได้ผลทันทีนะเมื่อไร่จะได้เมื่อไใ่จะเป็นเมื่อใดจะปีทันทีเมื่อไใ่ไจะรู้ก็คือเราไปข้ามขั้นนะจะหวังผลเมื่อหวังผลแล้วมันไม่ได้ผลมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ใจใช่ไหมดังนั้นเราควรจะมีความอยากที่ชอบก็คืออะไรหรือว่าความเพียรที่ชอบคือคือความเพียรที่จะทําเหตุนะแล้วก็ความเพียรในการที่จะละ ความหวังผลนั้นไปนะอันนี้น่าจะเป็นความเพียรที่ชอบอยู่นะอันนี้คื อ, ค, อความโลภนะถ้าเราไม่รู้จักความโลภจริงๆนะความโลภเจ็บอยากพวกเราคงรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเรากลับมาดูใจของเราด้วยขณะที่เราปฏิบัติธรรมเรามีความโลภตรงนี้แทรกเข้ามาไหมนะถ้ามีความโลภตรงนี้แทรกเข้ามาเราต้องวางมันไปแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่อยากจะบรรลุธรรมไม่อยากจะ อ่าเข้าใจธรรมะเราจะมาปฏิบัติธรรม ท, ทาทไมนะอันนั้นก็อาจจะตอบได้นะหรืออาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ขอให้เป็นความตั้งใจในช่วงแรกๆ ก, กที่จะปฏิบททัตนะิธรรมเนาะพอทําไปก็ต้องดื่มหรือว่าวางความที่จะได้ผลนั้นไปเถอะนะถ้าเราไม่วางนะเราจะทุกข์เราจะเครียดเหมือนกับโยมทํางานอะไรนะเราก็รู้ เดือนหนึ่งเงินเดือนออกสมมุติเป็นข้าราชการหรือทํางานบริษัทนะวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดเงินเดือนออกแต่ถ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองหรือวันไหนที่ทํางานเยเราก็คิดถึงแต่วันเงินเดือนออกคิดถึงวันที่จะมีโบนัสแบบเนี้เราเครียดไหมถ้าจิตใจเราอยู่กับเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนเมื่อไหร่จะได้โบนัสเนาะจิตใจเราก็เครียดนะเพราะว่าอะไร เรารู้สึกว่าการทำงานมันเป็นสิ่งที่หนักมันเป็นสิ่งที่เหนื่อยแต่ความสุขมันเกิดจากตอนที่ได้เงินนะได้ผลงานแต่จริงถ้าเรามองอีกแบบหนึง่งถ้าเรากลับมามีความสุขกับการทำนะจิตใจเราจะอยู่กับปัจจุบันจิตใจเราจะอยู่กับการงานจิตใจเราจะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำเนะี่ยจิตใจทช่นน้มันจะทำให้เราไม่ทุกข์นะทำหให้เราไม่เครียดก็คืออยากให้พวกเรามีความเพียร ในการที่จะทําเหตุตรวนี้แหละนะความเพียรในการที่จะรู้สึกตัวความเพียรในการที่จะละอกุศลออกจากจิตนะอันนี้ก็คือละละความโลภออกไปจากจิตใจของเราเองเนาะความโกรธอะคืออะไรนะหลายคนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจเลยแสดงอาการต่างๆทางกายบ้างทางวาจาออกไปบ้าง ที่จริงถ้าว่าไปความโกรธก็คือความร้อนของจิตนี่แหละนะจิตเรามีความร้อนเพราะนั้นความไม่โกรธคืออะไรก็คือใจที่ไม่ร้อนนะถ้าภาษาไทยอาจจะเรียกว่าใจเย็นนะแต่บางทีอาจจะไม่เรียกว่าหรืออาจจะเรียกว่าใจเป็นปกติก็ได้นะก็คือใจที่ไม่ร้อนเหมือนอย่างสมมุตินะสมมุติเตาไฟนะเตาไฟหรือว่ากองไฟอะไรก็แล้วแต่พอขณะที่จุดไฟก่อไฟขึ้นมา ถ้าเราเอามือไปจับหรือเอาน้ำไปต้มมันก็เกิดความร้อนมือหรือว่าน้ำก็ร้อนใช่ไหมนะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าไฟกองนั้นมันดับมันมอดแล้วเหลือเป็นขี้เท่าแล้วเราจะเรียกนั้นว่าไฟกองนั้นว่ามันร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมจะเรียกว่ามันเย็นไหมมันก็ไม่เย็นนะมันก็เป็นปกติของมันเช่นนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตใจที่โดนความ โกรธเข้ามาครอบงําจิตใจใจเราก็ร้อนใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมแต่พอความโกรธนะมันดับไปมันก็เหลือความไม่ร้อนละมันก็เหลือความไม่ทุกข์ละจะเรียกว่าใจเป็นปกติก็ได้อันนี้แหละก็คือจิตใจเราก็ต้องสังเกตบางทีเราปฏิบัติทำแล้วเราอยากจะได้ผลเร็ว เ, วเนี่ยใจเราร้อนนะใช่ไหมเมื่อใ่จะได้เมื่อใดอจะรู้นะทําไปเนี่ยจิตใจมันร้อนจิตใจมันทุกข์ นะพอจิตใจที่ร้อนจิตใจที่ทุกข์เนี่ยก็คือเรียกว่ามีโทสะเข้ามาแทรกโทสะก็เป็นอกุศลนะแต่ถ้าเราทำเรื่อยๆทำเล่นๆทำแบบสบายๆทำแบบไม่เคร่งเครียดอันนี้จิตใจมไม่ทุกข์นะใช่ไหมที่จริงโทสะก็คือความใจร้อนก็ได้หรือว่าความเคร่งเครียดก็ได้นะความเคร่งเครียดปฏิบททัติรมแล้วก็เอาจิงอาจัง หน้าดำคำเครียดนนเนี่ยก็คือโทสะอย่างหนึ่งนะเออทาไปแล้วก็อึดอัดทําไปแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ต้องรู้กลับมารู้ใจหรอนะว่าอากุศลเข้ามาแทรกแล้วนะโทสะเข้ามาแทรกแล้วนะนั่นแหลพอเรารู้ทันโทสะเข้ามาแทรกเราก็บางมันไปทําแบบเรื่อยๆทําแบบสบายๆทําแบบเล่นๆนะ่ะก็เป็นเรียกว่าอั อ, อโทสะก็เป็นการเจริญกุศลแล้วนะเป็นการละอกุศลแล้วนะอันนี้ นะว่าไปแล้วนะเรื่องความโรธเรื่องความโกรธคราวนี้เรื่องความหลงนะยิ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดนะหลงเอาแบบหยาบๆก็คือเรายกมือสร้างจังหวะก็ดีเดินจังาวะก็ดีแต่ใจเราเผลอไปคิดนะอันนี้ก็คือเป็นความหลงนะใช่ไหมยกมือไปหรือทำอะไรไปไม่ดูตัวหรอกนะเหมือนกับก่อนเรามาปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่เราก็จะหลงทั้งวันทั้งคืนนะทาอะไรก็แล้วแต่ก็ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะ หรือว่าเวลามีความทุกข์มากๆก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้จมกับความทุกข์จะทุกข์มากก็ดีทุกข์น้อยก็ดีก็จมกับมันทั้งหมดนั่นแหละนะนะอันนี้คือความหลงนะหลงที่หลงบ่อยที่สุด ก, ก็คือหลงไปคิดนะคิดทั้งวันทั้งคืนนะคือตอนกลางคืนที่เรียกคิดก็คือการฝันตอนกลางวันก็ก็คือการคิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเรามาอยู่ที่วัดอนะ่ะสอสาวันไม่รู้คิดกลับไปถึงที่บ้านกี่ครั้งแล้วนะ คิดไปห่วงเรื่องการงานกี่หนแล้วนะหรือปฏิบัติธรรมแล้วสังเกตบางทีทําไมมันไมไมคิดมากเหลือเกินนะอยากจะเคาะหัวตัวเองนะอนะหรือว่าบางทีเครียดทาไมไม่มสงบสักทีแต่จริงการหลงไปคิดเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะแต่จริงยังมีอีกห้าช่องทางนะการหลงไปดูนะรู้จักไหมหลงไปดูพอเห็นรูปอะไรแล้วจิตใจเราไหลไปอยู่กับรูปนั้นเลยเช่น ผู้ชายพอเห็นรูปสวยๆของผู้หญิงก็หลงไปจ้องหลงไปดูนะผู้หญิงอาจจะเห็นรูปดรอของผู้ชายก็หลงไปจ้องหลงไปดูนะนี่หลงไปดูนะสมมติตัวอย่างง่ายๆหรือหลงไปฟังนะพอมีเพลงเพราะๆหรือแม้แต่คำพูดที่ถูกใจเนาะแล้วก็เห็นเลว่าใจเรไหลไปทางหูออกไปสาวัตถุที่เป็นเสียงตรงนั้น หรือหลงไปริมรสเช่นทานอาหารหรือว่าได้ทานน้าอะไรที่อร่อยๆจิตใจเรานี่ไหลไปอยู่กับลิ้นอยู่กับรสชาติตรงนั้น ท, ทันทีหลงไปได้กลิ่นดอกไม้หอมๆกลิ่นหอมๆล้วก็ลหลงไหลไปหรือที่จริงแม้แต่สิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นกลิ่นเหม็นๆ น, นะเราก็มักจะดงไปเหมือนกันนะได้กลิ่นแล้วนมันก็เกิดความไม่ชอบใจนะ ก็หลงไปตำหนิในใจอีกก็มีอนะหรือกายสัมผัสความร้อนความนุ่มความเย็นสบายนะแล้วก็รู้สึกชอบบ้างรู้สึกไม่ชอบบ้างมันก็หลงออกไปก็มีนะเรียกว่าความหลงเนี่ยมันมีได้ทั้งหกทางนะหลงทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจบ้างเนี่ยมันหลงทั้งวันทั้งคืนนะนะ มันจะเห็นว่าจิตมันเกิดความหลงนะความหลงทั้งวันทั้งคืนนะเรียกว่าโมหะนะโมหะคือความหลงพอเรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปนะหลงไปคิดนะเรารู้ทันว่าจิตไปคิดแล้จิตมันจะกลับมาเป็นปกติได้เรารู้ทันว่าจิตมันไปดูอะไรก็ได้แต่เราไม่ใช่ว่าปิดตาไม่ให้ไม่ดูนะแต่เพียงแค่รู้ทันว่าจิตมันเผลอไปดูนะ จิตมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะรู้ว่าหูไปได้ยินเสียงนะจิตไปจมกับเสียงนั้นไปพอใจไปไม่พอใจกับเสียงนั้นจิตก็กลับมาเป็นปกติได้อันนี้คือจิตมันจะกลับมาเป็นปกติของมันเองจากการที่เราแค่รู้ทันว่าเราหลงไปในอารมณ์นั้นนั้นอันนี้คือความหลงนะความหลงทางทวารทั้งหกนะหรือาอายตนะนะภายนอกก็ก็ภายในที่มันสัมพันธ์สัมผัสกันนั่นแหละ มันทำให้จิตใจเราหลงไปนะหรือถ้าจะหลงมากกว่านั้นก็คือหลงในการที่ไม่รู้ความจริงก็คือเป็นจิตยังมีอวิชชาอยู่นะเป็นมิจฉาทิฐิอยู่นะก็ยังไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าอะไรคือความทุกข์นะอะไรคือสาเหตุของความทุกข์ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าการดับทุกข์นะมันเป็นเช่นไรไม่รู้ว่าวิธีการดับทุกข์นะคือวิธีการไหนนะ อันนี้คือความหลงนะคือความหลงที่ละเอียดเรียกว่าเป็นการนะหลงโดยการไม่รู้อริยสัจนะอันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปนะซึ่งที่จริงความโลภความโกรธความหลงนะที่ผู้ให้ฟังทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เราควรจะละนะถ้าเราจะทำความเพียรเราต้องละอกุศลพวกนี้นะนะต้องรู้โดยการกลับมารู้ทันกายแล้วก็รู้ทันใจเราว่า ม, มีอกัสรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราไหมพอเรารู้แ้วเราก็วางเหมือนไปสตินี่จะทําหน้าที่ทําให้เรียกว่าเป็นเครื่องรรู้รู้ว่าจิตต์อันี้ยมีอากัสรนะการแค่รู้ว่าจิตมีอกัสรเนี่ยมันจะทําให้มันละอกุศรออกไปเนี่ยเป็นการทําความเพียรที่ชอบนะการที่เรารู้สึกตัวบางทีอกุศรยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็รู้สึกตัวกับการกระทําในอิยาบท ต, ต่างๆ จะเป็นการสร้างจังหวะจะเป็นการเดินจึงกลมจะเป็นการทานข้าวจะเป็นการอาบน้ํแล้วเราก็รู้ตัวอยู่ตรงนั้นน่ะนะเป็นการปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะอาทจะเรารู้สึกตัวบ่อยๆเพื่ออะไรอย่างหนึง่งนะเพื่อปิดกั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแต่ต้องวางใจให้ถูกเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบพยายามข่มมันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่เช่นนั้นนะทําบางทีเราจะห้ามความคิด แล้วว่าอย่าทำเร็วทําแรงๆทา ช, ชัดๆนะทาแบบแช่แช่มันไว้ไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นไม่ให้มันหลงเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะนะเพราะว่ามันมีความอยากที่อยากที่อยากจะให้มันรู้อย่างเดียวหรือว่าอยากที่ให้อคศิไม่เกิดขึ้นอันนั้นก็นยังไม่ถูกนะนะมันยังมีความโลภนะยังมีความโกรธนะยังมีความไม่พอใจความคิดยังมีความไม่พอใจความหลงอยู่ยังก็เป็นโทสะ น, นะนะมันเป็น โลภะด้วยก็ยังเป็นโมหะด้วยนะนั้นเราต้องรู้ทันเราเพียงแค่รู้ว่าอากุศลเกิดขึ้นกับจิตนะจะเป็นอกุศลห ย, ยาบๆก็ดีหรืออกุศลละเอียดก็ดีเราต้องรู้ทันนะถ้าเราไม่รู้ทันนะเราจะเผลอจะเดินอกุศล น, นะลเราเผลอที่จะละกุศล น, นะในจิตเนี่ยถ้าเราแค่รู้ทันว่าความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็จะละไปเองของมันเอง จิตจะกลับมาเป็นปกตินะหรือกุศลที่มันยังไม่เกิดเราก็ควรที่จะทําให้เกิดกุศลก็คืออะไรเนะี่ยก็คือความไม่โกความไม่โลภความไม่โกรธความไม่ลงนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรินนะคือสิ่งที่เราต้องทําให้มากนะทําความเพียรชอบก็คือทําที่ตรงนี้เนาะก็คือการละอกุศลนะในจิตใจแล้วก็การจะเดินกุศลในจิตใจการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้ ถ้เราปฏิวัติธรรมในแนวทางนี้แหละมันถึงจะเป็นความเพียรที่ชอบนะเป็นความเพียรที่ถูกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไ ว, ว้ว่าวิเดเยณทุกขมจเจติบุคคลร่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรและความพยายามของเราเนี่ยแหละก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะแต่ต้องเป็นความพยายามที่ชอบนะเป็นความเพียรชอบเป็นสัมมาวายามะหรือว่าจะสรุปก็ได้นะบางทีเราพูดความเพียรชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังยาก แต่ถ้าเราสรุปว่าเราชอบทําความเพียรเนี่ยจะดีนะคือชอบทําคือชอบทําเหตุนะแล้วก็รับผลนั่นไปนะชอบที่จะทําเหตุให้มันถูกนะผลผลจะได้เมื่อไหร่ให้วางใจไว้เลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะอย่าไปคาดบางผลว่าเราจะบรรลุทําเมื่อไหร่จะดูนั่นรุนี่ก่อนไหนนะที่จริงถ้าเราวางใจถูกนะพอใจที่จะทําเหตุทุกครั้งที่ทําเหตุถูก ทุกครั้งที่รู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตเราก็เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นจิตก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้ก็ผลที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเรายินด <bles against> <ch> ีพอใจในผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจิตใจเราก็มีความเป็นมีความสุขเกิดขึ้นมีความเป็นปกติเกิดขึ้นน่ยที่จริงผลเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยจิตเป็นปกติแล้วทุกครั้งที่เรารู้รู้ทันอกุศลที่มันเกิดขึ้นกับจิตทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นแหละจิตก็เป็น จิตผู้รู้แล้วจิตสงบแล้วจิตมีความเบิกบานแล้วนั่นะให้เราพอใจนะผลมันเกิดขึ้นทุกขณะที่เราทําเหตุถูกแต่ถ้าใดเมื่อไหร่รเราไปหวังผลที่มันอ่าเรียกว่าเป็นผลที่ใหญ่ทีเดียวนะเราจะทำํำเราทําด้วยความทุกข์เพราะมันมีความอยากเกิดขึ้นในใจเนาะก็ขอให้เราทุกคนได้มีความชอบในการทําความเพียร น, นะแล้วก็อละอกุศลเกิดขึ้นกับจิตนะ ละความอยากความโลภความโกรธความหลงออกขึ้นจากจิตนะเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมนะขอทุกคนได้จะเดินในธรรมยิ่งขึ้นไป